บัรนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติครรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่าแห่งพระพุทธคุณบดว่าพุทโธซึ่งใช้ภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตนั้นนอกจากจะแปลว่าทรงเป็นผู้รู้แล้วยังแปลว่าเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้ปลุกบุคคลอื่นให้ตื่น การปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นของพระพุทธเจ้านั้นหมายถึงปลุกผู้ที่ควรจะตื่นและให้เป็นความตื่นจากกิเลสสนิสาคือการหลับด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายซึ่งมีรากงาวอยู่ที่ความโลภความโกรธและความหลงผู้ที่จะปลุกให้ตื่นนั้นบาลีใช้คำว่าพุทธเวไนคือพวกที่จะพอแนะนำให้รู้ธรรมะได้ ซึ่งทั้งนี้ก็เกิดสืบเนื่องมาจากพยานอย่างรู้ความแตกต่างในหมู่สัตว์โลกทั้งหลายซึ่งทรงอุปมาไวเหมือนดอกปัวสีเหล่าคนบางพวกพอพูดพอแสดงธรรมะขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจเนื้อหาแห่งธรรมะนั้นได้คนอีกพวกหนึ่งจะต้องอาศัยอา ธ, าธิบายขยายความแห่งหัวข้อธรรมะนั้นเสียก่อนจึงจะเกิดความรู้ได้ คนพวกที่3มนั้นจะต้องอาศัยการเวลาการหมั่นอบรมอบมนิสัยฝึกปรือกันไปโดยลำดับแล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจได้ส่วนพวกที่สี่นั้นบาลีใช้คำว่าปะทปรมะเพื่ อ, อ จ, จะจำทรงไปได้มีความเข้าใจแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความประพฤติทางกายทางวา จ, จาให้อยู่ในคันลองของศีลธรรมที่ถูกต้องได้ ซึ่งพวกนี้จำเป็นจะต้องปลูกด้วยวิธีที่ลดหลั่นกันลงมาลัการปลูกบุคคลอื่นให้ตื่นของพระพุทธเจ้าที่ทรงทำเป็นในแต่ละวันนั้นคือการตรวจดูสัตว์ตัวโลกเหล่านั้นเสียก่อนว่าใครที่อยู่ในจำพวกพุทธเวไนคือวันนี้ใครจะพูดกันรู้เรื่องบ้างก็จะเสด็จไปโปรดบุคคลเหล่านั้นแต่วว่าคนที่เสด็จไปโปรดนั้น ก็มีพื้นฐานความหนาบางแห่งกิเลสแตกต่างกันธรรมะที่ทรงใช้ในการปลุกปุกคนเหล่านั้นก็ใช้แตกต่างกันออกไปสำหรับในที่นี้จะกล่าวธรรมะหมวดหนึ่งซึ่งเป็นข้อที่ทรงใช้ปลุกปุกคนอื่นให้ตื่นขึ้นมาจากความหลับด้วยอำนาจกิเลสสนิสาประการแรกคือกามได้เกิดความใคร่ คำมากามะหรือกามนั้นจำแนกออกไว้เป็นสองฝ่ายด้วยกันฝ่ายแรกคือวัตถุกามได้ แ, แก่วัตถุที่ใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจซึ่งก็ไม่อื่นไปจากสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกลิ้มด้วยลิ้นได้ถูกต้องด้วยกายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสกามได้แก่กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ซึ่ง บางอย่างก็มีความเบาบางลงมาเช่นความยินดีความกำหนัดความพอใจความรักใคร่ตลอดถึงความละโมบโลภในสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นในข้อนี้ทรงสอนสองนิยัตด้วยกันควายที่เป็นวัตถุกรรมนั้นทรงสอนให้บุคคลรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นเมื่อล้วนแล้วแต่สิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาด้วยธาตุทั้งสี่เป็นต้นเพื่อให้บุคคลไม่ เกิดความหลงความกำหนัดความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปในส่วนที่เป็นกินเลสกรมนั้นทรงสอนในแง่โทษเพื่อบุคคลมองเห็นโทษประจักษ์ชัดเสียก่อนและในที่สุดก็จะชี้แจงถึงอุบายวิธีในการประพฤติปฏิบัติเพื่อสำรอกกิเลสกรมเหล่านั้นออกไปจากจิตใจพวกกิเลสประเภทที่เรียกว่ากิเลสกามนั้นจะมีลักษณะจับติด อยู่ภายในใจเหมือนกับน้ำฝาดหรือสีที่ไปติดอยู่ที่เสื้อผ้าเป็นต้นโอกาสที่จะชำระล้างให้ออกไปโดยสิ้นเชิงในเวลานรวดเร็วนั้นทำได้ยากแต่จะต้องอาศัยความเพียรพยายามโดยวิธีการต่างๆซึ่งในข้อนี้ทรงแสดงธรรมะไว้โดยอเน ก, กปริยายคือในยะต่างๆออกไปใครสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยวิธีใด ก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามวิธีนั้นแต่ว่าผลสุดท้ายก็จะมาพบกันที่ความสงบระงับกับความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายประการต่อไปก็คือเรื่องของร่างกายสิ่งเหล่านี้ทรงแสดงว่าเป็นเครื่องผูกพันจิตของบุคคลเอาไว้เป็นเครื่องคุ้มขอจิตของบุคคลทาให้แสงสว่างคือปัญญาไม่เกิดขึ้น บุคคลจึงไม่สามารถที่จะตื่นจากกิเลสสนิสาได้กายก็คือกลุ่มของร่างกายที่บุคคลแต่ละคนมีอยู่นั่นเองตามปกติแล้วใจของบุคคลจะมีความเพลิดเพลินความกำหนัดความลุ่มหลงในกายตนโดยการกำหนดว่าสวยงามเป็นต้นเมื่อมีความกำหนัดความเพลิดเพลินในร่างกายตนอยู่จิตใจก็จะหมกมุ่นวิตกกังวลอยู่แต่ในเรื่องของร่างกาย มันพยายามตกแต่งทนุบำรุงร่างกายของตนอยู่จนบางครั้งก็เกิดพอดีไปตอนนั้นจึงทรงสอนให้บุคคลเรียนรู้ถึงร่างกายว่าโดยที่แท้แล้วร่างกายนั้นไม่ว่าจะมองโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ก็ตามต้นแล้วแต่เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกด้วยประการต่างๆผู้เป็นเจ้าของร่างกายจาเป็นจะต้องมันชาระล้าง ฟอกผิวอบกลิ่นเป็นต้นเพื่อให้ร่างกายของตนอยู่ในสภาพที่ไม่อึดอัดจนเกินไปแต่ว่าในชั้นของการพินิษพิจารณานั้นสงสอนให้แยกร่างกายออกไปพิจารณาในแง่มุมต่างๆอย่างที่สงสอนให้แยกออกเป็นธาตุสี่คือแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆเป็นธาตุสี่ลักษณะใดที่มีความแข็งแข็ง ซึ่งปรากฏในอยู่ในกายนี้คือสามารถจับต้องได้แล้วก็หยิบฉ่วยขึ้นมาได้สิ่งนั้นก็ถือว่าธาตุดินเช่นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเพื่อเห็นว่าส่วนต่างๆเหล่านี้ก็มาประกอบขึ้นเป็นร่างกายบางครั้งก็ส่งแสดงในรูปของอุปมาเห็นว่าร่างกายนี้ได้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกพุ่มห่อไว้ด้วยเอ็นและหนัง แต่ว่าภายในนั้นมีสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดต่างๆอยู่เป็นอันมากบางครั้งก็สงแยกให้ออกมาเป็นรูปของาธาตุน้าคือลักษณะที่ไหลเอ่ออาบไปมาได้เป็นต้นการรู้ความจริงของร่างกายในส่วนที่เป็นาธาตุนั้นในชั้นของกรรมฐานก็คือสอนให้รู้ความจริงโดยสภาพที่แท้จริงของร่างกายว่าเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของการปฏิบัติธรรมนั้น ยังมีนิย่าต่างๆที่ทรงอาศัยธาตุทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกปลือจิตใจของตนเองเพื่อต่อสู้กับกระแสของอารมณ์กระแสแห่งกิเลสที่บังเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเช่นเวลากระทบอารมณ์ซึ่งชวนให้โกรธให้ไม่พอใจให้ประทุสายก็ทรงสอนให้บุคคลทําใจเหมือน ดินเหมือนาน้ำเหมือนลมเหมือนไฟเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าดินน้ำลมไฟนั้นจะไม่ยินดีหรือว่ายินร้ายต่อสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเช่นแผ่นดินบุคคลจะทิ้งของสะอาดหรือของสปกปรกลงไปแผ่นดินก็คงแผ่นดินเป็นแผ่นดินอยู่ไม่ได้หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่านั้นก็ทําทให้บุคคลได้สนักว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของดินเหมือนกัน จะต้องอาศัยหลักของดินนี้เองเป็นเครื่องคุ้มครองใจไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธเป็นต้นแต่ว่าในขั้นของการพินิษฐพิจารณาเพื่อสำรอกความพอใจก็ต้องแยกออกโดยนัยนั้นบางครั้งถ้าหากว่าแยกไม่ออกแยกไม่เห็นในชัดเจนจึงต้องสอนให้ไปดูในซากศพซึ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับร่างกายด้วยกันต่างนั้นทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายถอนความกาหนัด ความยินดีในกายตนออกไปประการต่อไปคือเรื่องรูปคำว่ารูปนั้นคือสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปด้วยเหตุปัจจัยรูปทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่เมื่อเหตุปัจจัยเหล่านั้นยังเกาะกลุ่มกันอยู่ได้รูปเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ได้แต่เมื่อเหตุปัจจัยเพื่อความดำรงอยู่แข่งรูปเสื่อมสลายไปความเป็นรูปเหล่านั้นก็ต้องแตกสลายไปสิ่งที่เป็นรูปในความหมาย ของศาสนาเมื่อแยกออกมาจากกายและจากวัตถุกรรมอย่างที่กล่าวแล้วก็อมุ่งหมายเอาในส่วนที่เราสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทคือเสียงด้วยจมูกด้วยลิ้นและด้วยกายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเช่นเดียวกันอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าการกําหนดรูปนามนั้น ก็กำหนดจากประสาทสัมผัสเป็นการกำหนดที่ง่ายและเข้าใจง่ายเป็นพิเศษคือส่วนใดที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทข้าขต้นคือเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นรูปแต่ส่วนใดที่บุคคลสัมผัสได้ด้วยใจคือรู้ด้วยใจ ส, สึกนึกไปตามใจเช่นความรักความพอใจความเมตตากรุณาเป็นต้นก็ถือว่าเป็นนาม ในที่นี้ทรงเน้นไปที่รูปซึ่งเป็นเครื่องผูกพันใจของบุคคลรูปแล้วก็เน้นไปที่รูปซึ่งชวนให้กำหนัดรักใคร่พอใจยินดีเกิดขึ้นภายในจิตและรูปที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจความไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นซึ่งแต่ละอย่างก็ผูกพันใจด้วยสายกิเลสที่แตกต่างกันถ้าเกิดความกำหนัดรักใคร่ ย, ยินดีก็จะผูกพันใจด้วยกิเลสสายโลภถ้าหากว่า เกิดความไม่พอใจไม่ยินดีก็จะผูกพันใจไว้ด้วยกิเลสสายโทสะแต่ว่าจะผูกพัดพนด้วยกิเลสสายใดก็ตามล้วนแล้วแต่ก่ให้เกิดความทุกข์เป็นผลด้วยกันทั้งนั้นส่วนตัวของรูปเองนั้นว่าที่จริงแล้วก็เป็นอัปยากาตธรรมคือธรรมะที่เป็นส่วนกลางทั้งนั้นเองไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วไม่ได้เป็นตัวกิเลสหรือว่าตัวอะไรแต่เป็นตัวกลางๆเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดา การที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลได้ก็ต่อเมื่อบุคคลไปกำหนดหมายรูปนั้นในฐานะที่พอใจและไม่พอใจเป็นต้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตจึงจะเกิดขึ้นสาหรับบุคคลเหล่านั้นข้อต่อไปก็คือเรื่องของบุคคลที่ปล่อยเวลาแห่งชีวิตให้มัวมองหมกมุ่นอยู่ในการตอบสนองความต้องการของตนในเรื่องของ ทรงชายคำว่าบริโภคอาหารแล้วสแสวงหาความสุขด้วยการนอนดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพระผู้มีพระราภาคเจ้าทรงเชีอเห็นว่าการนอนที่เกินไปนั้นเป็นความว่างเปล่าของชีวิตคือชีวิตช่วงนั้นเป็นโมฆะสำหรับบุคคลผู้นั้นดังนั้นการที่บุคคลสแสวงหาความสุขด้วยการนอนการเครื่อนหลับพยายามที่จะหลับจะนอนอยู่ตลอดเวลานั้น ทำให้เวลาของชีวิตซึ่งบุคคลควรจะใช้ไปให้สำเร็จประโยชน์ก็ต้องสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรและกลายเป็นความหลับซ้ำซ้อนคือความหลับทั้งร่างกายและความหลับด้วยอำนาจของกิเลสดังนั้นจึงทรงสอนว่าความมัวเมาหมกมุ่นพอใจเย็นดีอยู่ในการเครื่อหลับนี้เป็นเครื่องผูกพันใจอีกประการหนึ่งซึ่งทรงสอนให้บุคคลมองเห็นโทษ โดยให้ใช้หลักความเพียรพยายามประเภทที่เรียกว่าชากริยาโนุโยคคือประกอบความเพียรด้วยความเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาคําว่าตื่นนั้นหมายถึงว่าตื่นด้วยสติเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องกําหนดรู้สิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตนเองไม่ว่าอะไรก็ตามมีสติระลึกรู้เท่าทันถึงสิ่งเหล่านั้นถึงอารมณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้น การปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ทรงอบรมสั่งสอนไว้นั้นก็เน้นไปที่การใช้สติเป็นหลักที่สําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนเรามีสติได้ก็จะอยู่กันอย่างมีความสงบสุขปัญหาที่เกิดขึ้นที่นําความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ชีวิตของบุคคลนั้นก็เนื่องจากสติระลึกไม่ทันปิดกั้นกระแสของกิเลสไม่ทันและได้สร้างเรื่อง ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นก่อนแล้วสติจึงระลึกทันทีหลังต่อแต่นั้นก็เป็นไปเป็นแต่ความเศร้าโศากเสียใจความทุกข์มีประการต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าสติระลึกทันปิดกระแสอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้หยุดยั้งความคิดที่จะกระทำความผิดด้วยประการต่างๆออกไปได้ที่ว่าเป็นการปิดกั้นก ร, กระแสแห่งเวรภัยกระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆไว้ได้ ดังนั้นจึงทรงแสดงไว้ว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นความอยากเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันการทําความสงบด้วยอํานาจของสตินั้นก็กลายเป็นกรรมฐานที่ทรงสอนไว้ในข้อที่เรียกว่าสัมปชัญญปะปปพัคือใช้สติระลึกรู้ทันอิริยาบถ ท, ทุกอย่างจะคู่แขนเหยียดแขนจะหยิบของจะแปลงฟันจะอาบน้าจะรับประทานอาหารจะดื่มน้าเป็นต้นมีสติระลึกรู้ทันอยู่ตลอดเวลา เป็นการฝึกปลือสติให้เกิดขึ้นทันกับกิริยาอาการที่บุคคลได้กระทำลงไปซึ่งกุบายวิธีในการฝึกสตินี้อย่างที่เคยบอกว่าแม้แต่การนับรูปประคาที่เขานับกันนั้นก็คือการฝึกปลือสตินั่นเองเพราะอะไรพระ้าหากว่าเกิดเพลิเรอิขึ้นในคราวใดรูปประคำร้อยแปอาจจะเกินร้อยแปดหรือไม่ถึงร้อยแปดแต่ว่า เวลาใดที่นับได้ครบร้อยแปดทุกครั้งแสดงว่าสตินั้นได้แนบแน่นอยู่กับการนับการนับลมก็ดีการหายใจถ้าออกก็พุทโธก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสติด้วยกันเมื่อสติมีอยู่สติก็กลายเป็นธรรมเครื่องตื่นของบุคคลผู้นั้นเป็นการปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นอยู่ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่ประมาทในอารมณ์ทั้งหลายแม้แต่จะหลับนอนก็เป็นการหลับนอนอย่างมีสติ การหลับนอนอย่างมีสตินั้นทรงแสดงไว้ว่าจะไม่ทําให้บุคคลฝันในเรื่องร้ายสาร ะ, ะเรื่องโสกรปรกต่างๆถ้าหากก็จะมีความฝันบังเกิดขึ้นก็จะเป็นความฝันไปในทางที่ดีเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความปร่งเบาสบายใจเป็นต้นเครื่องผูกพันใจที่ทรงสอนให้บุคคลตื่นขึ้นมาอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการประพฤติความดี เ้ื่อประการต่างๆที่ทรงแสดงไว้โดยมุ่งหวังการบังเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาในสวงสวรรค์เป็นต้นนี่ถือว่าเป็นความตื่นชั้นสูงขึ้นไปเพราะการที่จะปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นขึ้นมาในชั้นต่างๆนั้นกว่าจะเข้าถึงชั้นที่เรียกว่าอนุพุท ธ, ธะคือตื่นตามพระพุทธเจ้าได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงตื่นมาด้วยวิธีใด ท่านผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าอนุพุทธะก็จะตื่นตามได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงตื่นมาแล้วอนุพุทธะจึงเป็นการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาแด้๋วในชั้นสามัญธรรมดาก็ทรงปลุกให้ตื่นมาโดยลาดับดังกล่าวแล้วสวรรค์ก็ทรงชี้ไว้สําหรับชั้นโลกิยะคือตื่นขึ้นมาได้สร้างกุศลธรรมในระดับสวรรค์ได้ แต่ถ้าชั้นที่จะหลุดพ้นจากกระแสะของสังสารวัตรแล้วแม้ความสุขในสวรรค์ก็ชื่อว่าเป็นความหลับอีกประการหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ายังมีกิเลสเมื่อยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องมีกรรมเมื่อทาํากรรมก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมดังนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องความสุขในสวรรค์เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนเพียรพยายามมาสัมผัสสวรรค์ให้ได้เสียก่อนและในชั้นหนึ่งก็จะทรงแสดงโทษของความสุข แม้ Man, ที่เป็นทิพย์คือความสุขในสวรรค์ว่ายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสยังเป็นไปในสังสารวัฏยังหมุนวนอยู่ตามอำนาจของกิเลสกรรมและวิบากสืบต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดซึ่ ง, งทรงเชียเห็นโทษของกามคุณเหล่านั้นไม่ว่าทั้งที่เป็นไม่ว่าเป็นของมนุษย์หรือว่าเป็นของทิพย์ก็ตามกามคุณเหล่านั้น มีลักษณะแผดเผามีลักษณะร่าวร้อนก่อให้เกิดความสยบติดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลการปฏิบัติในชั้นนี้จึงมุ่งชี้ให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นได้ตื่นตามพระองค์คือตื่นอย่างสมบูรณ์จริงๆการมาคุณทั้งหลายนั้นแม้แต่ที่เป็นทิพย์ในสวงสวรรค์อย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ก็ทรงเชืเห็นว่าบรรดาเทพบุรและเทพธิดาเหล่านั้น บางครั้งก็มัวเมาประมาณไม่เสริมสร้างบุญกุศลเพิ่มขึ้นจุติจากสวงสวรรค์แล้วอาจจะมาตกนรกก็ได้หรืออาจจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แม้บางคราวตกลงมาจากพรหมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าตราบใดที่บุคคลยังหมุนวนอยู่ในกระแสแห่งวัตฏะตราบนั้นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็คงจะเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ตามสมควรเกเหตจึงทรงชี้ให้เห็นโทษที่เรียกว่าการมาทีนก ค, คือโทษของกาลด้วยประการต่างๆเช่นทรงอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับการถือคบเพลิงทวนลมเวลาบุคคลถือคบเพลิงทวนลมนั้นในด้านของผลประโยชน์ก็ได้เห็นขนทางเห็นแสงสว่างเป็นต้นแต่ว่าในด้านความทุกข์ทรมานทางร่างกายก็ถูกแผดเผาด้วยเพลิงเหล่านั้น เรือบางครั้งทรงอุปมาเหมือนกับศีษะอสรพิษสีษะอสรพิษนั้นก็ใช้ประโยชน์ได้เช่นออกมาทำเซรุ่มเป็นต้นแต่ว่าเวลาเกี่ยวข้องกับอสรพิษไม่ดีหรือขาดความฉลาดก็อาจจะถูกอสรพิษกัดเอาก็ได้การเกี่ยวข้องด้วยกามคุณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่บุคคลจะต้องพินิษฐ์พิจารณาแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เป็นคุณและสิ่งที่เป็นโทษ ในกรณีที่เป็นคุณด้วยกันก็แยกให้ออกว่าอะไรเป็นคุณมากกว่าในชั้นนี้ซึ่งโฉงชี้ไปที่คุณอย่างประเสริฐสุดโดยการสำรับความพอใจแม้ในความสุขที่บุคคลจะพึงสัมผัสจากการบำเพ็ญความดีแล้วไปอุบัติบังเกิดในสวรรค์ว่าก็มีความเป็นกาะคือความใคร่อยู่เป็นกามาพบคือพบที่จะท่องเที่ยวอยู่ในกามยังต้องเกี่ยวข้อง อยู่กับการอารมณ์ยังมีการกระทำที่เป็นไปตามอำนาจใจของตนเอกหยกแล้วต่อแต่นั้นก็สรงชี้ทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อบุคคลสามารถเลือกเอาเองว่าจะเดินไปทางไหนคือการดึงกายดึงจิตของตนออกจากอำนาจของกิเลส ข, ของอารมณ์ให้ได้ตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติซึ่งทรงจัดเอาไว้เป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรก คือเอากายออกมาจากกรรมคุณเหล่านั้นแต่ว่าจิตใจอาจจะยังผัวพันหมกมุ่นคุนคิดสึกนึกด้วยอำนาจความกำหนัดความยินดีอยู่การปฏิบัติในลักษณะนี้ก็มีผลในด้านความสงบกายแต่วความสงบของร่างกายมีความเกี่ยวพันกับจิตใจเมื่อจิตใจยังไม่สงบถึงแม้ว่ากายสงบก็ไม่ชื่อว่าเป็นความสงบที่แท้จริง จึงไม่ชื่อว่าบรรลุผลที่มุ่งหมายในทางศาสนาประการที่สองนั้นเป็นการออกด้วยจิตคือจิตใจถอยห่างจากความกำหนัดความหยินดีในการมาคุณทั้งหลายถึงแม้จะปร ะ, ประสบกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็มีสติระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านั้นไม่ได้นำมาปรุงคิดและคิดปรุงต่อไป ก็เป็นการหยุดยั้งกระแสะแห่งกิเลสเอาไว้เพียงเท่านั้นแม้ลุกลามไปสู่จิตใจการปฏิบัติในชั้นนี้สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติสัมผัสคุณที่สูงขึ้นไปจนถึงละสังโยชน์ได้ถึง5ประการด้วยกันคือลาสักกายทิฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนได้ความลังเลสงสัยในคุณพระตนตรายเป็นต้นได้ละความถือมั่นด้วยศีลและวัดข้อปฏิบัติที่งง ง, งายไม่ยุติด้วยหลักของเหตุผลได้ ละการมราคะความกำหนัดความยึดจิตในวัตถุกรรมทั้งหลายด้วยอำนาจของกิเลสกรรมลงไปได้ละปฏิฆะคือความไม่พอใจความหงุดหงิดความงุง่งงนงงด้วยอำนาจความโกรธลงไปได้และเป็นการละได้เด็ดขาดด้วยแต่ว่าร่างกายก็คงจะต้องเกี่ยวข้องอยู่ในแวดวงของวัตถุกรรมทั้งหลายในชั้นต่อไปนั้นถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สูงสุดถือว่าเป็นการตื่นตามพระพุทธเจ้าจริงๆ เป็นอนุพุทธะอย่างที่เรียกพระอริยเจ้าทั้งหลายว่าอนุพุทธะคือเป็นผู้จัศรุตามพระพุทธเจ้าจัสรุตามอย่างไรคือปฏิบัติจนรู้แจ้งอริยสัจ ส, สีเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งคว า, ามเป็นอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาทุกชั้นจึงเกิดขึ้นจากการรู้อริยสัจ ส, สีด้วยยานสามอย่างที่เคยกลา่าวมาแล้วแต่ว่าการที่พระอริยบุคคลมีถึงสี่ชั้นนั้น เพราะปริมาณของวิชาคือแสงสว่างที่บังเกิดขึ้นขจัดความมืดบอดด้วยอํานาจกิเลสภายในจิตใจนั้นมีแสงสว่างไม่เท่ากันจึงสามารถขจัดความมืดได้ไม่เท่ากันแต่ว่าจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วก็อยู่ที่ตื่นตามพระพุทธเจา้าคือขจัดความมืดบอดภายในจิตใจได้อย่างชิ้นเชิงในชั้นนี้ก็คือการออกด้วยกายและออกด้วยจิต หมายถึงการออกบวชถือเพศเป็นนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างในพระพุทธศาสนาก็ถือเพศเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติขัดเกลากายวาจาใจของตนจนออกจากอํานาจของกามคุณทั้งหลายได้จากอํานาจของกิเลสทั้งหลายได้ทั้งกายและทั้งจิตโดยสิ้นเชิงแม้จะยังเกี่ยวข้องอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ก็จะเป็นลักษณะของใบบัวที่ เกิดเจริญเติบโตอยู่ในโคลนตมพยายามยกตัวขึ้นมาจนพ้นจากโคลนตมพ้นจากน้ำอยู่เหนือน้ำและต่อแต่นั้นแม้ว่าน้ำจะตกไปที่ใบปัวก็ไม่อาจที่จะแทรกซึมเข้าไปภายในใบบัวได้เช่นใด จ, จิตใจของผู้ปฏิบัติขัดเกลามาจนถึงเป็นอนุพุทธะคือตื่นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตื่นมาแล้วคือตื่นโดยเสด็จพระพุทธเจ้านั้น จะเป็นความตื่นขึ้นในลักษณะนี้ไม่มีความหลับด้วยอำนาจกิเลสสนิสาอีกต่อไปซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาแต่ว่าในชั้นที่ลดหลั่นลงมาเมื่อบุคคลสามารถน้อมนำธรรมะที่ทรงสอนเพื่อปลุกให้บุคคลตื่นขึ้นในฐานะนั้นๆในโอกาสนั้นๆในภาวะนั้นๆใครสามารถปฏิบัติได้ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ในจุดของตนผลคือความตื่นขึ้นจากอำนาจกิเลสก็จะปรากฏภายในจิตของบุคคลและผู้ปฏิบัตินั้นจะได้สัมผัสผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแห่งตนตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติข้อนี้ท่านจึงถือว่าเป็นความอัศจรรย์ประการหนึ่งในคำสอนของพระพุทมีพระภาคเจ้าในข้อที่ว่าทรงมีคาสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือคนที่น้อมนําธรรมะไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติดังนั้นขั้นตอนในการปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปตามลําดับเริ่มต้นจากการยกระดับชีวิตของคนให้เป็นมนุษย์แต่ในช่วงจากคนที่เป็นมนุษย์นั้นบางคนก็เป็นอันถภาละคือทั้งมืดทั้งอ่อนด้วยสติปัญญาด้วยเหตุผล ก็ให้กลายมาเป็นภาระคืออ่อนอย่างเดียวจากภาระคือคนพานั้นก็ให้เป็นกันลยาณปุทุชนคือเป็นคนดียังตกอยู่ภายใต้กิเลสภายใต้อารมณ์อยู่แต่ว่าถ้ากิเลสแรงๆก็คุมไม่ได้ข้ามไม่ได้โดยมีหลักของศีห้าบ้างหลักปุสลกำหนดสิบบ้างเป็นเครื่องควบคุมไว้ต่อแต่นั้นก็พัฒนาจากจุดของกัลยาณปุทุชนนั่นเองให้เป็นสัตว์บุรุษ ให้เป็นบัณฑิตในพระพุทธศาสนามีความสงบระงับที่แสดงให้เห็นได้ทางกายทางวาจาเป็นการสะท้อนมาจากจิตที่มีความสงบแล้วพัฒนาจากจุดของสัตว์ปรุษหรือของบัณฑิตนั้นให้ไปเป็นพระริยะในชั้นต่างๆซึ่งความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของท่านเหล่านั้นได้แก่การขัดเกลากิเลสออกไปจากจิตโดยลําดับความสงบ ความประณีตความสะอาดความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้นั้นตามสัดส่วนแห่งกิเลสทิละได้ตามสัดส่วนแห่งธรรมที่บุคคลประพฤติ ป, ป, ปฏิบัติได้ไม่ว่าจะสัมผัสในชั้นใดก็ตามชื่อว่าบุคคลผู้นั้นได้เข้าถึงความอัศจรรย์แห่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วและชื่อว่าได้ดาเนินตามไปตามหลักที่ทรงสั่งสอน เพื่อปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นขึ้นในฐานะ น, นั้นๆในโอกาส น, นั้นๆต่อจต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป